วันนี้พวกเรามาวัดเพื่อมาสร้างที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางร่างกายส่วกเราก็มีพอเพียงกันแล้วร่างกายก็พอที่จะให้ความสุขกับเราได้ไปวันวันหนึ่งแต่ความสุขทางร่างกายนั้นก็เป็นความสุขที่ไม่ถาวร เพราะว่าร่างกายไม่ถาวรช่ววหนึ่งร่างกายก็ต้องหมดสภาพไปไม่สามารถหาความสุขต่างๆมาให้กับเราได้เราก็ต้องอาศัยที่เพิ่งทางใจเพราะที่พึ่งทางใจนี้สามารถให้ความสุขกับเราได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายอาศัย ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คืออาศัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้าเรามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจเราก็จะมีความสุขเราก็จะดับความทุกข์ต่างๆได้แต่ถ้าเรามีที่พึ่งทางร่างกายเพียงส่วนเดียวเวลาร่างกายเป็นอะไรไปเวลาร่างกายไม่สามารถ นำความสุขมาให้กับเราได้เวลานั้นเราก็จะทุกข์จะเดือดร้อนจะไม่สบายใจดังนั้นเราจงควราหาที่พึ่งทั้งสองส่วนที่พึ่งทางร่างกายเราก็หาไว้เพื่อใช้กับร่างกายที่พึ่งทางใจเราก็ต้องหาไว้ไว้สำหรับใช้กับจิตใจ เวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้เราก็ต้องอาศัยที่พึ่งทางใจให้ความสุขกับเราต่อหรือเราจะไม่พึ่งทางร่างกายเลยก็ได้เพราะว่าความสุขทางใจนั้นมีความมีคุณค่ากว่ามีความสุขมากกว่า ความสุขทางร่างกายถ้าเราเพื่อนทางร่างกายเพียงอย่างเดียวเราจะมักจะมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะความสุขทางร่างกายนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองบางเวลาเราก็มีความสุขเพราะเราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเราสามารถหาสิ่งนั้นมาได้ เราก็มีความสุขแต่เวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราได้มาไปเวลานั้นเราก็จะมีความทุกข์หรือเวลาที่เราอยากได้อะไรแล้วเราไม่สามารถได้ตามความอยากเราก็จะมีความตกใจนี่คือความสุขทางร่างกายทางรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้ทาพทางตาหูจมูกลิ้นกาย เป็นความสุขที่ขึ้นนลงๆมีบ้างไม่มีบ้างแต่ความสุขทางใจนี้เราสามารถที่จะทําให้มีอยู่กับเราได้ตลอดเวลาเพราะว่าความสุขทางใจนี้ไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆอาศัยเพียงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สอนเป็นผู้บอก วิธีสร้างความสุขใจนี้ให้กับเราเท่านั้นเองความสุขทางใจก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกได้สั่งสอนให้ปฏิบัติและได้ปฏิบัติมาแล้วก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองสุปฏิปันโนโ ป, ปุจุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโน สามีจิตปฏิปนโนการปฏิบัติดีการปฏิบัติตรงต่อพันิานการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ดับกิเลสปัญหาความการปฏิบัติที่ถูกต้องเรียกว่าสุปฏิปนโนปุจุปฏิปนโนญาญาปฏิปนโนสามีจิตปฏิปนโนการที่เราจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอม ก็คือเราก็ต้องปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าก็คือให้เจรมมิญมรรคแบบเจริญศสีลสมาธิปัญญาหรือเจริญทานเสียนภาวนานี่เองนี่ก็คือการสร้างสารณะให้เกิดขึ้นมาภายในใจของเราสร้างด้วยการปฏิบัติสารณะภายนอกนี้ยังไม่ได้เป็นสารณะที่พื้นของเรา เป็นพระพุทธรูปที่พวกเรากล่าวไหวนั้นเป็นเพียงสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าคือหมายถึงสัญลักษณ์ก็คือหมายถึงวิถีชีวิตที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนินมาพระพุทธเจ้าได้ส่งเสียสละทำทานด้วยการสละราชสมบัติแล้วก็ออกบวรรักษาสิ่งยนานนิอวอนาสมุทตะอรนา และวิปัสสนาภาวนาพระอาริยสงฆ์สาวกทั้งหลายก็ดำเ น, น, นินลอยตามพระพุทธเจ้าตละดับสมบัติเข้าของเงินทองออกบวชรักษาเสียงปฏิบัติธรรมจเจริญจิตตะภาวนาจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดพอได้บรรลุแล้วท่านก็นำเอา ความรู้ที่ได้จากการบรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปก็คือสั่งสอนวิธีที่จะได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานเข้าถึงที่พึ่งที่ถาวรก็คือความสงบสุขของใจที่ถาวรที่เกิดจากการปฏิบัติมักแต่ เกิดจากการปฏิบัติสิงสมาธิปัญญาเกิดจากการปฏิบัติทานสิงภาวนานี้เองพระพุทธเจ้าคือพระรูปนี้เป็นเพียงสัญลักษณ์หรือเครื่องเปินสติให้เราระลึกถึงวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกที่เรากล่าวว่าก็เช่นเดียวกันตั้นก็เป็นแบบเจบาแถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอ ว่าเป็นอย่างไรถึงการบรรุมรรคผลนิพพานเป็นอย่างไรนั่นก็จะเป็นตัวอย่างที่จะทําให้เราเกิดศรัท ธ, ธาเกิดฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามเพราะทำคําสอนของข้อพระพตเจ้า ก, ก็ดีเรื่องของพระอริยสงสาวกทั้งหลายก็ดีก็สอนให้เรา ปฏิบัติดีปฏิบัติก็นั่นเองให้เราทำทานให้เรารักษาศีลให้เราภาวนาดกานินตมัถฐภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าเราสามารถปฏิบัติตามแนวคำสอนได้ผลที่จะตามมาก็คือมากผลวิภานความสงบความสุขความปลอดจากความทุกข์เมื่อ พอเราไม่มีความทุกข์ก็ถือว่าเราได้มีที่พึ่งแล้วนั่นเองแต่ตอนนี้พระพุทธโลกก็ดีพระอาริยสงสารุพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราไปกราบว่าก็ดีหรือพระธรรมคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังมาก็ดีตอนนี้ยังไม่ได้เป็นฌานะที่แท้จริง เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในใจของเราตอนนี้ยังอยู่ข้างนอกอยู่ยังไม่สามารถดับความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้ยังไม่สามารถทําใจของเราให้สงบให้มีความสุขได้อย่างต่อเนื่องและถาวรการที่เราจะดับความทุกข์ทั้งหลายได้ มีความสนบสุดได้อย่างทาววนั้นก็จากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเองการที่เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เพื่อจะได้รับเอาคำสอนรับเอากำลังใจที่จะขัดดันให้เรามีความภาคเพียรมีวิริยะอุตสาหะบากบัน ที่จะพยายามปฏิบัติมัตต์แปปฏิบัติสีสมาธิปัญญาปฏิบัติทานสีนภาวนานี้ไห้ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองทุกครั้งเวลาที่เราได้ยินได้ฟังธรรมจะทำให้เราเกิดมีกำลังจิตกำลังใจเพราะมีผู้บอกทางให้กับเรา บางทีเราเดินไปแล้วถ้าเราไม่ดูแผนที่เราก็อาจจะหลงทางได้พอเราหลงทางเราก็เกิดความค่อยแยวกิดความยอดเท้าแต่พอเราเปิดแผนที่ดูเราก็รู้ว่าออกเรากำลังเดินผิดทางเราก็เปลี่ยนทางเดินของเราใหม่พอเราเปลี่ยนทางเดินเราเดินตรงไปตามแผนที่ เราก็จะเดินเข้าใกล้สื่อจุดหมายปลายทางของเราเราก็จะมีกําลังจิตกาลังใจที่จะเดินทางต่อไปการปฏิบัติจึงต้องมีการฟังเทศฟังธรรมการเข้าหาครูบาอาจารย์เป็นระยะระยะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องฟังเทศฟังธรรมทุกวันและต้องอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ทุกวัน บางครั้งบางเวลาก็ต้องมีความจําเป็นที่จะต้องออกไปปีกวิเวกก็อยู่ตามลําพังในเมื่องต้นนั้นก็ต้องอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก่อนเพื่อจะได้รับการอบรมวิชาความรู้ต่างๆแต่พอได้มีวิชาความรู้แล้วก็อาจจะต้องออกไปปีกวิเวกไปอยู่ตามลําพังเพราะการปฏิบัติธรรมเพื่อทําจิตให้สงบ เพื่อทดสอบจิตใจว่าสามารถปฏิบัติทาขั้นต่างๆได้หรือไม่นั้นบางทีก็ต้องอาศัยสถานที่ที่สงบสงัดดีเว่าง่กลจากสิ่งต่างๆห่างไกลจากบุคคลต่างๆเพื่อจะได้พิสูจน์ว่าเราจะเป็นที่เพื่อนของเราเองได้หรือไม่เพราะว่าเวลาที่เราอยู่กับครูบาอาจารย์เราก็อาศัยบารมีของครูบาอาจารย์คุมครอง มีความปลอดภัยมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์แต่เวลาที่เราต้องไปอยู่คนเดียวไปอยู่เว้ยๆอยู่ในป่าในเขาเวลานั้นเราจะไม่มีบารานีของครูบาอาจารย์คอยคุ้มครองตอนนั้นก็ต้องอาศัยบารานีของเราเองก็คืเจอการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราต้องอาศัยธรรมะที่เราได้ศึกษาเร่เรียนมามีมา เป็นบาลีมือคุ้มครองเราเป็นเรื่องทดสอบใจเราว่าใจเรานี้สามารถเป็นที่พึ่งของเราเองได้หรือไม่ถ้าเราสามารถเป็นที่พึ่งของเราเองได้เป็นอัตตาอัตโนนาโธได้ไม่ทุกกับเรื่องอะไรก็ ถ, ถือว่าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วถ้าเรายังอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้างนอกอยู่ เราก็ยังไม่รู้แน่ว่าเราเป็นที่พึ่งของเราเองได้หรือยังถ้าเราปฏิบัติไปแล้วต่อไปเราจะรู้ว่าพระพุทธธรรมประสงค์ที่แท้จริงนี้อยู่ข้างในใจเราไม่ได้อยู่ข้างนอกตอนต้นเราอาจจะยังติดกับการห้อยพระพุทธรูปอยู่มีอซ้อยมีมีพระพุทธรูปหรือมีรูปของครูบาอาจารย์ห้อยอยู่ แต่ถ้าเราปฏิบัติไปแล้วจิตของเราได้รับผลจากการปฏิบัติมีธรรมะปรากฏขึ้นมาภายในใจเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าพระที่เราห้อยคอนี้ไม่ได้เป็นที่เพื่ออย่างแท้จริงเพราะว่าเวลาเรามีความทุกข์ใจพระที่เราห้อยคออยู่นี้ไม่สามารถดับความทุกข์ในใจของเราได้ เวลาที่เรามีความทุกข์ใจแล้วเราใช้ธรรมะค ำ, คำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในใจมาดับความทุกข์ภายในใจไนดะ้เราก็จะรู้ว่านี่แหละคือธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่ปรากฏขึ้นภายในใจอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสว่า ผู้ใด้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เห็นตถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรมธรรมผู้ธรรมที่ผู้ปฏิบัติต้องเห็นก็คือ อ, อริย ส, สัจสทุกสมุทัยนิโรธเมื่อเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะต้องมีมรรคคือปัญญามาพิจารณาให้เห็นว่าทุกที่กําลังเกิดขึ้นภายในในี้เกิดจากความอยาก เกิดจากปัญหา ท, ที่เป็นสมุทัยเป็นทุกขศาสตร์ข้อที่สองทุกขศาสตร์ข้อที่หนึ่งก็คือความทุกข์ใจมไม่สบายใจเราก็ต้องใช้ทุกขศาสตร์ข้อที่สี่คือมรรคือสติปัญญามาพิจารณาหาต้นเหตุของความไม่สบายใจเราก็จะเห็นว่า ต้นเห่งของความไม่สบายใจก็คือความอยากต่างๆนั่นเองเวลาเราอยากได้อะไรขึ้นมานี่ใจของเราจะกวนกาวาดกระสับกระส่ายจะกินไม่ได้นอนไม่หลับจะไม่สงบไม่นิ่งไม่สบายถ้าเราเห็นว่ามันเกิดจากความอยากถ้าเราหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็จะหายไป คามทุกข์หายไปก็เรียกว่านิโรธนิโรธก็คือทุกข์กษัตริย์ทุกข์ัตร์ข้อที่อาริยสัจข้อที่สอริยสัจมีสี่ก็อริยสัจข้อที่หนึ่งก็เรียกว่าทุกข์กษัตริย์ข้อที่สามก็เรียกว่าสมุทัยสัจข้อที่สามก็คือนิโรธกษัตริย์ข้อที่สี่ก็คือมรรคกษัตริย์เวลาเกิดความทุกข์ใจเราต้องใช้มรรคกษัตริย์เป็นคู่มา พิจารณามาศึกษาเป็นเหมือนหมอเวลาไม่เวลาเกิดความทุกข์ใจนี้เป็นเหมือนไม่สบายเวลาไม่สบายก็ต้องหาหมอให้หาให้หมอมาวิเคราะห์ดูว่าไม่สบายเพราะอะไรไม่สบายตรงไหนเป็นเพราะอะไรถ้าหมอวิจัยแล้วเห็นว่าเป็นเพราะว่าเกิดจากเชื่อโลกอย่างนั้นเชื่อโลกอย่างนี้ หมอก็ใช้ยามาทําลายเชื้อโรคนั้นพอทำลายเชื้อโรคนั้นหมดไปโรค ก, ก็หายไปเช่นเดียวกับเวลาไม่สบายใจเราก็ต้องหาหมอหมอใจหมอใจก็เกิดมรรคผลก็เกิดสติปัญญาสติปัญญาก็ต้องวินิจฉัยหาหาเหตุว่าความไม่สบายใจเกิดอะไรก็จะรู้ว่าเกิดจาก อยากอย่างใดอย่างหนึ่งอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าอยากมีอย่างนั้นอย่างนี้นรือยากเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้หรืออยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้เป็นอย่างนี้เพรอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาแล้วใจก็จะสบายไม่สบายถ้ามักพิจารณาว่าแล้วเราไปห้ามได้หรือเปล่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ไม่ให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เป็นไปห้ามไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือเปล่าไปห้ามไม่ให้ร่างกายตายได้หรือเปล่าไปห้ามไม่ให้ร่างกายแก่ได้หรือเปล่าถ้าเราห้ามไม่ได้แล้วเราไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายจะทำไมถ้าเรยอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราก็จะทุกข์ไปต่อไปไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็จะไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริง เราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงความแก่ความเจ็บความตายได้มันเป็นความจริงมันเป็นศัตรธรรมนี่คือการทำงานของสติปัญญาของมรรคแต่ก่อนที่เราจะมีสติปัญญาได้เราก็ต้องมีสมาธิก่อนก่อนที่เราจะมีสมาธิได้เราก็ต้องมีศีลก่อนก่อนที่จะมีศีลได้เราก็ต้องมีทานก่อนมันเป็นขั้นของมรรคแต่ พระพุทธเจ้าก่อนที่จะรักษาเสียงได้ก็ต้องสละราชสมบัติก่อนต้องทำทานก่อนออกบวชพอออกบวชพอทําทานได้หมดสละสมบัติได้หมดก็รักษาเสียงได้เพราะเมื่อเราไม่มีความอยากได้ทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองเราก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปทําบาปคนที่ทําบาปก็เพราะว่า ย, ยังมีความโลภยังอยากได้ทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทอง อยากจะได้มาโดยวิธีง่ายๆและรวดเร็วธรก็จะต้องทำบาทเช็นคนที่ไม่มีเงินอยากจะได้เงินก็ต้องไปพ้นธนาการแต่ถ้าคนไม่มีความอยากได้เงินแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปพ้นธนาคารคนที่ไม่ต้องใช้เงินทองเชนนักบวชนี้ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปทาบาปเพื่อหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงทอง การที่เราทำฐานทาฐานก็เพื่อที่เราจะต้องการจัดการใช้เงินใช้ทองออกไปจากชีวิตของเราเราไม่ต้องการที่จะอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขต่างๆให้กับเราเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการจะต้องทาบาปเวลาที่เราไม่สามารถหาเงินทองมาได้โดยวิธีที่ไม่ต้องทำบาป แต่เรายังมีความอยากที่จะใช้เงินทองอยู่เราก็ต้องไปทำบาปแต่ถ้าเราไม่ต้องใช้เงินทางเป็นเครื่องมือซื้อความสุขต่างๆซื้อสิ่งต่างๆเราก็ไม่ต้องไปทำบาปไม่มีเงินเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรพอเราเป็นนักบวช้วเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเกี่ยวกับกรเรื่องการหาเทาะหาเงินทองหรือใช้เงินทอง เราก็จะสามารถรักษาศีลได้อย่างสบายไม่มีวันที่จะต้องไปทําบาปทำกรรมตอนรารักษาศีลได้ใจของเราก็พร้อมที่จะภาวนาได้ใจก็พร้อมที่จะเข้าสู่ความสงบได้มีเวลาที่จะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องการที่จะทําใจให้สงบนี้เราจะต้องมีสติควบคุมใจ อยู่ตลอดเวลานาทีไม่ให้คิดตรงแต่งให้ลดความคิดตรงแต่งให้น้อยลงไปเรื่อยๆตามลำดับจนสามารถหยุดความคิดตรงแต่งได้ถ้าหยุดความคิดตรงแต่งได้ใจก็จะเข้าสู่วความสงบได้พอใจเข้าสู่วความสงบก็เป็นสมาธิขึ้นมาถาว่าคว่าความสงบนี่แหละคือสมาธิ ในทางโลกนี้เรามักจะใช้คำว่าสมาธิแทนสติกันเช่นเรามอจะพูดว่าวันนี้ไม่มีสมาธิกับการทำงานเลยไม่มีสมาธิกับการเรียนหนังสือเลยอันนี้ความจริงหมายความว่าไม่มีสติใน ไ, ไม่จดจ่อยอยู่ากับการทำงานใจ ไ, ไม่จดจ่อยอยู่กับการเรียนหนังสือความจริงทำนี้ควรจะใช้สติแทนสมาธิ เพราะว่าสมาธินี้พวกเราไม่มไม่เคยมีกันยิงจะไม่เรียกว่าสมาธิไม่ได้สมาธินี้ก็คือเวลาใจสงบรวมลงเป็นหนึง่งเป็นเอกาลมไม่คิดตรงใตแล้วถ้ารวมลงมากๆ ก, ก็ไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นทุกดหายไปจากความรู้สึกชั่วคราวแต่ถ้าสงบไม่เต็มที่ก็ยังรับรู้อยู่ยังสามารถรับรู้รูปเสียงกลิ่นลดได้แต่ ใจไม่ไปวุ่นวายไม่มีอารมณ์กับลูกเสียงเก่นัตที่มาปรากฏให้รับรู้รับรู้แล้วก็ปล่อยวางใจเป็นกลางใจเฉยได้อย่างนี้ถึงเรียกว่าสมาธิถ้าเรามีสมาธิแล้วทีนี้เราก็จะสามารถคิดด้วยเหตุด้วยผลได้เพราะเวลาที่ใจมีสมาธินี้อารมณ์ต่างๆจะถูกอ่า กำจัดหรือ ว, ว่าถูกกดไว้ไม่ให้มีกําลังมากจนเกินไปยังมีอารมณ์อยู่แต่ก็ยังสามารถที่จะใช้สติปัญญาห่มได้กําจัดได้ถ้าไม่มีสมาธินี้อารมณ์จะแรงมากเวลาเกิดความโกรธก็จะหยุดไม่ได้เวลาเกิดความโลภเกิดความอยากก็จะหยุดไม่ได้แต่ถ้ามีสมาธิแล้วเวลาเกิดความโลภ ก, ก็จะไม่ดุลย แต่ก็จะรู้ว่าเป็นความโลภรู้ว่าเป็นความโกแล้วถ้าใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาก็จะสามารถหยุดความโลภหยุดความโกได้เมื่อเวลาอยากได้อะไรเราก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าสิ่งที่อยากได้นั้นมันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขประเดี๋ยวปับดาแล้วเดี๋ยวก็จะมีความทุกข์ตามมา เพราะสิ่งที่ได้ย่อมเปลี่ยนไปย่อมหมดไปเวลาเปลี่ยนไปหรือหมดไปสิ่งนั้นก็จะไม่ได้ให้ความสุขกับเราแทนที่จะให้ความสุขก็จะให้ความทุกข์กับเราสู้ไม่เอามาดีก่ะสู้อย่างมีดีก่ะมีแล้วก็จะมาเป็นภาวะทางจิตใจจะต้องคอยดูแลรักษาจะต้องหวงจะต้องห่วงและเมื่อสูญเสียไปก็จะต้องทุกข์ใจ พอใช้ปัญญาสอนใจอย่างนี้ก็จะหยุดความโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้หรือถ้าอยากได้นี่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็สอนใจว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปอยากให้ไม่เจ็บให้ได้ป่วยที่จะประยากไม่ให้ตายเพื่อถึงเวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยู่ประมาณไปอย่าไปเกิดความอยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไป ว่าถ้าเกิดความอย่างนี้นะจะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาที่รุนแรงกว่าความเจ็บไข้ได้ส่วยของทางร่างกายนี่คือการใช้ปัญญาระนัดความอยากต่างๆเราใช้ปัญญาไนดะ้ใจต้องมีความสงบมีสมาธิพอที่จะควบคุมอารมณ์หรือต่อสู้กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นไดน้แต่ถ้า ไม่มีสมาธิแล้วอารมณ์นี้จะรุนแรมากก็เตรียบเหมือนกับแพทย์เวลาที่จะทำการผ่าตัดคนไข้ถ้าไม่ฉีดยาสง บ, บก่อนนี้จะผ่าคนไข้ไม่ได้เพราะคนไข้จะดิน้นแต่ถ้าเวลาคนไข้ได้รับการดมยาสงบแลนะ้วคนไข้ก็จะนอนเฉยเวลาผ่าก็จะไม่ดิน้นไม่ต่อต้านหรอก็สามารถ ทําสัญนการณ์ต่างๆได้ได้จนสำเร็จเช่นเดียวกับการปฏิบัติถ้าใจไม่นิ่งพอจะใช้ปัญญาพิจารณาไม่ได้เพราะจะมีอารมณ์มาต่อต้านถ้าจะให้พิจารณาสิ่งที่อารมณ์ไม่ชอบกิเลสไม่ชอบก็จะพิจารณาไม่ได้อาราธาที่กิเลไม่ชอบก็คือความแก่ความเจ็บไข้ได้ส่วนความตาย หรือความไม่สวยงามอาวัยวะต่างๆของร่างกายที่ไม่สวยงามหรือส่วนต่างๆของร่างกายที่ที่เป็นปฏิกูลเกเรจะไม่ชอบพิจารณาจะมองไม่เห็นพอไม่เห็นส่วนนี้ก็จะเกิดความหลงคิดว่าร่างกายนี้น่ารักน่าเอ็นดูร่างกายนี้สวยงามน่ามีไว้ครอบครองเป็นเจ้าของ แต่ถ้ามีสมาธิแล้วก็จะสามารถสอนใจให้พิจารณาดูส่วนที่ไม่สวยได้ให้ดูส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังได้เช่อาการอาการต่างๆอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในใต้ผิวหนังก็จะเห็นได้พอเห็นอาการต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะคลายความรักความกำหนักยินดีได้ แล้วนักการมาลงได้ไปอยู่คนเดียวได้แล้วไม่รู้สึกเหงาหรือว่าเวไม่เหมือนกับคนที่ไม่มีปัญญาเวลาเห็นรูปที่สวยเห็นรูปที่ชอบก็จะเกิดตัญหาเกิดการมาลงอยากจะได้มาให้ความสุขกับตนแล้วก็ต้องมีรูปนั้นอยู่กับตนไปเรื่อย เวลาใดที่อยู่ห่างไกลกันเวลานั้นก็จะมีความรู้สึกว้าเว่เศร้าสร้อยงอแงอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาถ้าเราไม่มีสมาธินี้เราจะพิจารณาไม่ได้หรือพิจารณาได้ไม่นานพิจารณาได้เดียวเดียวเดียวอารมณ์อยากอยากในสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากในของสวยของงามก็จะมาคิดแทน เรคิดไปแล้วก็เลยจะไม่เห็นความจริงก็จะต้องไปหาร่างกายคนนั้นคนนี้มาเป็นคู่ครองแล้วเวลาอยู่ด้วยกันก็ต้องมาเป็นภาระต่อกันต้องมาดูแลกันห่วงใ ย, ยกันแล้วก็ต้องมาเสียอกเสียใจยเวลาที่จะต้องจากกันหรือว่าเวลาที่ภาระกันมีความเห็นไม่ตรงกัน ความสุขที่ได้ก็เลยจะหายไปหมดเวลาที่เกิดความทุกข์กับคนที่เรารักปรากฏขึ้นมาถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ด้วยปัญญาแล้วเราก็จะหยุดความอยากมีผู้คลองได้อยู่คนเดียวจะสบายใจกว่าไม่ต้องมาทุกข์กับคนอื่นไม่ต้องมาคอยดูแลกันไม่ต้องมาหัวงอห่วงกันจะทาอะไรก็สามารถทำได้ ท, ทันที ไม่ต้องมาขออนุญาตกันแล้วไปไหนมาไหนก็ไปได้เลยมีอิสระเต็มที่ถ้ามีคู่ครองแล้วก็จะไปไหนมาไหนจะทำอะไรเองก็ทำไม่ได้ถ้าจะไปคนเดียวก็ต้องขออนุญาตกันก่อนนี่คือปัญญาถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณา้วเราก็จะสามารถหยุดความอยาก ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราก็คือความอยากในการคืออยากในรูปเสียงเิ่นลดปวดสะพ้าเช่นอยากจะมีแฟนอยากจะมีสามีมีภรรยาหรืออยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆสถานบันเทิงต่างๆก็ๆไปหารูปเสียงเิ่นรงนี้เองหาการมาลงมาเสกหรือการไปดืม่มการไปรับประทานนี้ก็เช่นเดียวกัน ถ้าไม่ได้ดืม่มหรือนับประทานตามความต้องการของร่างกาย่และดื่มหรือนับประทานตามความอยากก็เรียกว่าเป็นตัญหาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นความอยากในการแล้วก็กลุ่มที่สองก็คือความอยากมี อ, อยากเป็นไม่พอใจกับสถานะท่าพิษเป็นอยู่ตอนนี้อยากจะเป็นมากกว่านี้เป็นคนธรรมดาก็อยากจะเป็น ผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็น อ, อ, อ, อบอบจอเป็นอะไรต่างๆเป็นสอสอเป็นรักบาลตีเป็นนายกอันนี้ก็เรียกว่าความอยากมีอยากเด็นมีทันมีเงินน้อยก็อยากจะมีเงินมากกว่านี้มีภรรยาคนเดียวก็อยากจะมีสองคนมีสามีคนก็อยากจะมีสองคนสามคนเรียกว่าความอยากมีอยากเป็น พอมีแล้วมันก็จะเกิดปัญหาตามมาจะอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้ก็ต้องไปเรียนเงินแสวงหามาแล้วถ้าอยากได้มากๆ ก, ก็อาจจะต้องไปทำบาปทนกรรมไปทำผิดกฎหมายทำผิดกฎกติกาต่างๆเพื่อให้ได้สิ่งที่ตวเองอยากได้เหมนข้อที่สามความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คืออยาก Percent, อ, ยอยากไม่แย่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอันนี้ก็มีอยู <S <S ่ในใจควงอยู er ่นึกนึกอยู่ทุกคนเวลาคิดถึงความแก่แล้วสบายใจหรือไม่สบายใจเวลาคิดถึงเวลาที่จะต้องเจ็บไายได้ป่วยรู้สึกว่าสบายใจหรือไม่สบายใจเวลาที่จะต้องตายอันนี้ถ้าเรามีความรู้สึกไม่สบายใจก็แสดงว่าเรามีความอยากไม่แย่อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตายแต่ถ้าเราคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยคิดถึงความตายแล้วเรามีความสุขใจเราดีใจอย่างนี้แสดงว่าเราไม่มีความอยากเราพอใจเรารับมันได้ถึงเวลาแก่เราก็ยังมีความสุขได้ถึงเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยังมีความสุขได้ถึงเวลาเราตายเราก็ยังมีความสุขได้ถ้าเรา มีความสงบแล้วเราจะไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายเพราะว่าความสงบนี <S <S e yeah. ้จะอยู่เหนือความความทุกข์ของความแก่ของความเจ็บไา้ได้ปวของความตายความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายนี้จะไม่สามารถเข้ามาทำลายใจที่มีความสงบได้ใจที่มีความสงบนี้จะมีความสุขตลอดเวลา เป็นเวลาทพระพุทธเจ้าทรงเสดิญดับขันทัพตอนนิพพานพระองค์ไม่มีจิตใจที่หวั่นไหวหรือทุกข์เดือดร้อนกับความตายเลยพระองค์สอทร ง, งประทับนอนประทับอยู่อย่างสงบไม่มีกิเลสอาการอะไรทิ่แสดงถึงความทุกข์เลยพรามประทัยของพระองค์นี้มีความสุบตลอดเวลามีความสุขอยู่ตลอดเวลาเป็นปรามังสุขขังอยู่ตลอดเวลานั่นเอง เป็นผลที่เกิดจากการได้เจริญมรรคได้เจริญศิลสมาธิปัญญาได้เจริญทานสินภาวนามาได้มีสานะที่พึ่งทางใจที่แท้จริงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความสงบมีธรรมะก็คือความสงบเป็นที่พึ่งพวกเราก็จะสามารถมีสานะที่แท้จริงได้ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็คือทำทานอย่างเป็นที่รักษาศีลอย่างเป็นที่ภาวนาอย่างเป็นที่ถ้าทำอย่างเป็นที่แล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างเป็นที่เช่นเดียวกันเพราะเหตุกับผลเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เดึกกำบันลามีเหตุก็มีผลมีเหตุมากก็มีผลมากมีเหตุน้อยก็มีผลน้อยดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็ต้องลงมาที่เหตุอยู่ที่เหตุ ในเห็นก็ไม่ได้อยู่ที่ใครเห็นก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่อัตตาอิอัตโนนาเถรในเออยู่ที่ตนเป็นที่พึ่งของตนตนต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองไม่มีใครปฏิบัติทาให้กับเราได้ไม่มีใครปฏิบัติซื้ให้กับเราได้ไม่มีใครปฏิบัติภาวนาให้กับเราได้เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองปฏิบัติดีปฏิบัติเจ้าปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความ นับทุกดับกิเลสปัญหาอันนี้นหะคือผลทางที่จะทำให้เรามีที่พึ่งทางใจต่อไปพอเรามีที่พึ่งทางใจแล้วเวลาร่างกายเสื่อมสภาพไปแก่ลงไปเจ็บไข้หน่ายวดหรือตายไปใจเราจะไม่เดือดร้นอนเลยเพราะเรามีที่พึ่งที่ดีกว่ามีความสุดที่ดีกว่าเราไม่ต้องอาศัยร่างตายให้ความสุบเรา ไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นที่พึ่งของเรานี่คือเรื่องของการที่เรามาวัดมาวัดเพื่อมาศึกษาวิธีที่จะทําใจของเราให้เป็นที่พึ่งให้มีที่พึ่งให้มีพระพุะทธพระธรรมพระสงฆ์เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ต้องนำออกไปปฏิบัติต่อพอเราปฏิบัติแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่อนอน ดัง น, นั้นก็ขอฝากให้ท่านทั้งหลายได้เอาครรมะคำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชาบนี้ให้เอาไปค้นพิจารณาและปฏิบัติเพื่อที่พึ่งทางใจงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาจึงขอยึดติดไว้เพียงเท่านี้ พอเราไปคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เลยเป็นไปตามที่เราคิดเป็นไปอยะ่างนั้นจริงเป็นเรื่องของจงิสบางทีที่มีปฏิกิริยากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งดัง น, นั้นก็ให้ใช้สติปัญญาให้ใช้ความสงบทําใจให้นิ่งก่อนแล้วก็ใช้วิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลว่าเราทําอะไรมาถึงเหตุจัดเหตุการณ์อยนี้ขึ้นมา ชิดแรกตกใจอาจารย์สวดอีปิโสไม่ได้นะงงตลอดเวลาอาจาร์งงแบบเราเป็นใครทําไมอะไรเงี้ยก่อนมันจะหายโอ้โหหน้ากลัวแม่อาจาอะไรอม่าีสกยกน่ติอนุญาตใช่พยายามฝึกสติให้มากใจให้สงบเราจะมีเหตุมีผลเดี๋ยวจะให้พอนะ ยะถาวาริวาฮาปู้ราภิริปุเรนติสักระังเอวะเนวะอิโตชินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปติตังสุมหังคิปะเมวะสันิจโตสะเทปุเรตุสังกปาจันโทปนะวะโสยะถามณีโสตี ระโสยะตาสปิติโยวิวัติสตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตาลายยสุขีทีขายยโกภะติวาธนสีลิกษะนิจยังุทธาปจายโนยัตารโอธรามวะทานติอายุวโนสุขังพลัง พยายามเจริญสติกันได้มากมากนะภาวนากันให้มาก่าอันนี้เป็นการปฏิบัติที่สำคัญที่สุดมีการอยากจะถามอะไรไหมมีปัญหาอะไรจะมาเล่าให้ฟังก็ได้เพื่อจะมาช่วยกันวิเคราะห์แล้วแก้กั น, อ, น, นอยากไปเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังเรื่องการละ โดนของโดนยาอะไรมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเป็นไปได้ตอนนี้มันก็ใช้กันทั่วไปหมดแล้วไม่ชอบใครก็เอาของใส่เข้าใส่ใส่เข้าไปไม่ได้หรอกมันหลอกเราพอเราเชื่อใจพลังแล้วก็เลยตื่นเป็นเหมือนกระตายตื่นตัวอย่างนั้นอย่างนั้ น, นกระต่ายนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาพอลูกจาหล่นลงมาก็คิดว่าแผ่นดินถล่มพอคิดว่าก็เชื่อเลยเชื่อว่าแผ่นดินถล่มวิ่งไปไหนวิ่งหนีพอ สัตว์อื่นเห็นข้าวก็ถางว่าเป็นอะไรบอกว่าแผ่นดินถล่มกัตอื่นฟังก็ตื่นตามเชื่อตามเดินไปเจอราชสีราชสีว่าทำอะไรกันวิ่งห น, นีอะไรกันมาบอกว่าหนีแผันดินถล่มราชสีบอกถล่มตรงไหนว่าไปพาไปดูหน่อยมีราชสีเป็นโพธิสัตย์มีสติมีปัญญาไม่ตื่นข่าวง่ายๆก่อนที่จะตื่นจอน ที่จะอะไรต้องรู้ให้จริงก่อนว่ามันเป็นอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าก็ เ, เลยไปพิสูจน์กันเลยบางคัาให้กระตายพาไปหาที่แผ่นดิถนถลกมไปถึงก็เห็นลูกตาลอยู่คนต้งตายอ๋อนี่มันถล่มตรงนี้อลูกตาลอยถล่มลงมาไม่ต้องไปกลัวเรื่องคุณใสเรื่องอะไรต่างๆไม่มีใครทำอะไรเรได้นอกจากความโง่ของเราเองความตื่นตระหนกของเราเองเท่นั้น ถ้าเราไม่มีความโง่ไม่เติมปนก็แล้วมันไม่มีอะไรจะทำอะไรเราได้เรื่องของใจมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้สติปัญญาใช้เหตุใช้ผลแต่ยัมีเหตุมีผลได้ก็ต้องมีสมาธิต้องมีสติอย่างนั้นไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจกับข่าวอะไรต่างๆถ้ามีสติมีปัญญาแล้วก็จะรู้ว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงความจริงจะมีหรือไม่มีเราก็ตายแน่ๆให้รู้อย่างนี้แล้วลองจะได้ไม่ต้องไปตื่นตกใจจะมีอะไรมาถลมโลกนี้หรือไม่ถลมโลกนี้เราก็ตายเหมือนกั น, น, นเราหนีความตายจะไม่ได้แล้วแล้วสิ่งที่ตายก็ไม่ใช่เราด้วยให้คิดอย่างนี้สิ่งที่ตายเป็นเพียงเครื่องมือของเราเป็นตุ๊กตาของเรานางานี้เป็นเหมือนตุกก๊กตา ที่เราใช้อาศัยเป็นเครื่องมือไว้ดูได้ไว้ดูรูปได้ไ ว, ดไว้ฟังเสียงไว้ดมกลิ่นไว้ดมรสเท่านั้นเองใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเวลาร่างกายตายสายเวลาโลกนี้ระเบิดไปพร้อมกับร่างกายนี้ใจไม่ได้ระเบิดตามไปด้วยใจเป็นเหมือนคนดูหนังหนังเวลาหนังระเบิดเวลาเกิดการระเบิดในเจ้าหนังนี้คนดูไม่ได้ถูกระเบิด คนดูก็ดูไปเฉยๆใจนี้เป็นผู้รู้จะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายไม่ว่าร่างกายจะเจริญหรือร่างกายจะเสือ่อมมันก็รับรู้เท่านั้นเองมันเป็นเหมือนคนดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกที่ร่างกายอยู่นี้ไม่ไปกระทบกระเทือนกับใจผู้รับรู้เรื่องราวต่างๆใจเหมือนอยู่กับอีกโลกหนึ่ง มองมาจา ก, กโลกหนึ่งมั้มเหมือนคนที่นั่งดูดูหนังดูทีวีนี้เหตุการณ์ในจอหนังในจอทีวีนี้ไม่เปกระทบกระเทือนกับคนที่นั่งดูแต่ถ้าคนนั่งดูไม่ดูด้วยสติก็จะตื่นเต้นตกใจไปกับภาพที่ดูได้เวลาดูหนังผีบางทีกลัวมากๆถึงกับช่องหลับตาไม่กล้าดูนั่งที่ไม่แม้แต่ไม่ทอะไรคนดูเลย นคนดูกับไม่กล้าดูเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาไม่มีสติทางไปหลงคิดว่าตนเองเป็นคนที่อยู่ในจออะไรจะเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในจอแล้วก็ไม่กล้าไม่กล้าดูเกิดความกลัวขึ้นมาขอให้เรารู้ความจริงอย่างนี้แล้วเราจะไม่ตื่นเต้นหวั่นไหวกับอะไรต่างๆทั้งสิ้นไม่ว่าอะไร ชีวิตของเราจะตกต่ำขนาดไหนเราก็จะรับกับมันได้เราก็ยามรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของการเจริญและการเสือ่อมเรื่องนี้มีการเจริญและมีการเสือ่อมชีวิตของเราก็มีการเจริญและมีการเสือ่อมอาะเจริญก็อาจจะเจริญเพราะการเหตุการณ์การภาวะต่างๆหรืออาจจะเจริญเพราะอานิสงส์ของบุญที่เราได้ทำมาเวลาเสื่อมก็อาจจะเสื่อมเพราะเป็นอานิสงส์ของการทาบาปที่เราทามา ซึ่งเนี่ยทั้งสองอย่างเราก็ไปเปลี่ยนไม่ได้ไปแก้ไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เราทำไปแล้วในอดีตเราต้องเป็นผูรับผลมันทั้งนั้นเองเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหวั่นไหวเวลา ท, ที่ชีวิตเราตกต่ำขอให้เราใช้ขันติใช้ใช้อุเบกขาใช้ธรรมะยอมรับไปว่าอันนี้เป็นภาวะของเราเป็นสภาพชีวิตของเรา เหมือนกับข er ับรถบางทีก็ขึ k k k k k ้นเขาบางทีก็ลงห้วยเวลาลงห้วยก็ลงไปเ้วก็ขับของเราต่อไปพัเดียวมันก็ขึ้นไปใหม่ขึ้นๆลงๆอย่างนี้คือชีวิตของเราถ้าไม่อยากจะขึ้นๆลงๆก็อยากกลับมาเกิดถ้าไม่กลับมาเกิดแล้วชีวิตของเราก็จะไม่มีวันขึ้นไม่มีวันลงจะมีแต่สุขสงบไปตลอดเวลานี่คือชีวิตของพระพุทธเจ้าและชีวิตของพระอาารท่านหลาย ท่านหยุดการเดินทางแล้วท่านไม่ขับรถ ข, ขึ้นขึ้นเขาลงห้วยแล้วท่านพักอยู่ที่บ้านของท่านสบายกว่าบ้านก็คือพันธิพานเพราะท่านไม่มีความอยากท่านก็ไม่ต้องออกเดินทางพวกเราอย่างเดินทางกันอยู่เพราะยังอยากไปกันอยู่อยู่บ้านไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขอยู่นอกเบื่อต้องออกนอกบ้านอออกนอกบ้านก็ต้องไปเจ อ, อ สิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีสลับกันไปเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษใครเวลาที่ชีวิตเราตกต่ำโทษตัวเราเองที่ไม่อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไม่เป็นสุขถ้าทาใจให้สงบแล้วต่อไปเราจะอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปไหนมาไหนไม่ต้องไปรับกรรมเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆขอให้เรามีความหนักแน่นใช้สติใช้ปัญญาและพยายาม ยอสอนใจให้ยอมรับความจริงแยกความจริงแยกใจออกจากร่างกายให้รู้ว่าใจกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันเราอยู่ที่ใจอยู่อยู่ส่วนที่ถาวรไม่มีวันดับไม่มีวันหมดเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายนี้เป็นส่วนชั่วคราวที่จะมีวันหมดมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสือ่อม นั่นถ้าเรายอมรับความจริงของร่างกายว่าจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายและรู้ว่าเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราก็จะไม่หวั่นไหวเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะอยู่อย่างเป็นปกติสุขได้ไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรนี่คือปัญญาที่เราต้องคอยสอนใจต้องแยกใจออกจากกายวิธีจะแยกก็ต้องทําใจให้สงบแอง เวลานั่งสมาธิแล้วใจจะปล่อยวางร่างกายชั่วคราวเวลาสงบแล้วร่างกายแต่ละใจจะไม่เดือดร้อนะเจ็ตรงนั้นปวดตรงนี้ก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่นี่คือการแยกโดยสมาธิพ่ อ, อจากสมาธิมาก็ต้องใช้ปัญญาสอนให้จำไว้ว่าร่างกายแต่ใจนี้เป็นคนตัส่วนกันร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ใจเป็นเพียงเป็นผู้รับรู้รับผิดชอบดูเดูแลร่างกายไปตามอัตภาพของเขาเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถไปห้ามเขาไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้แต่ใจไม่ได้ตายไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายยังไม่ต้องไปหวั่นไหวไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปหวาดกลัวเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะทำให้ทุกข์ไปต่อปล่าเนื่อยไปต่อเปล่า นี่คือความจริงท mm ี hmm. ่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และพวกเราจะสามารถรู้เห็นได้ถ้าเราปฏิบัติทัาใจให้สงบ ก็เดินไปหาหมามันก็กัดเราเอเดินผ่านหน้าบ้านมันวิ่งมาเยดินผ่านหน้าบ้านเขาไม่รู้ก็มันกัดก็มันก็กัดแล้วจะเปทายังไงได้กัดแล้วก็รักษาแผลไปถ้าเราไม่ไปอยู่ใกล้หมามันก็ไม่กัดเราเดก็ผ่านบ้านรับผ่านหน้าบ้านถนนเป็นถนน ถ้ามันกัดแล้วก็ยอมรับรับกรรมไปก็แล้วกันยอเพราะว่าเราไปไปทําอะไรไม่ได้นะมันเกิดขึ้นแล้วก็รักษาไปหายก็หายไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปใจเราไม่ได้ถูกกัดนะร่างกายถูกกัดใจเราไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปตื่นเต้นไม่ต้องไปทุกข์กับมัน แล้วเราก็ไปสั่งให้แผลมันหายทันทีทันใดไม่ได้ใช่ร่างแผลทุกวันตั้งแต่วันที่หกมันอยู่ที่ร่างกายถึงเวลามันจะหายมันก็หายเองอถ้ายัางไม่หายก็อยู่กับมันไปถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายเราก็จะไม่ทุกข์ใจถ้าเรามีความอยากเราก็จะทุกข์ใจ จานั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็อยากประหยากให้มันหายอยู่กับมันไปจนกว่ามันจะหายหนั่งพุโทโธพุโทโธสวดมนต์ไหวพระไปปล่อยวางนะถ้าปล่อยวางได้แล้วก็จะไม่ทุกข์ใจความทุกข์ใจนี่มันรุนแรงกว่าความทุกข์กายความทุกข์กายนี่มันเพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้นของความทุกข์ใจ เหมือนกับเวลาไปหาหมอหมอบอกว่าจะฉีดยา ย, ยังไม่ทันฉีดเลยใจมันทุกไปก่อนนะใจมันเจ็บไปก่อนนะเพราะฉะนั้นทําใจให้เฉยๆแล้วจะจะไม่เดือดร้อนกับการเจ็บของร่างกายก็ <c oughs> อย่างที่คิดว่าแต่ห้ามไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้มันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยวันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเหตุการณ์อันใดอันหนึ่ง ถูกหมากัดนี่ก็เป็นการเจ็บไข้แน่ปวดอย่างเลยเดินลื่นหกล้มนี่ก็เป็นการเจ็บไข้แน่ปวดอีอย่างกินอาหารท้องสะละออาหารเสียต้องถ่ายท้องปวดท้องอันนี้ก็เจ็บไข้ไน้ปวดมันมีเหตุถ้าไม่มีเหตุมันก็จะไม่มีความตามมาถ้าเราไปอยู่ใกล้หมาก็ถูกหมากัดได้ถ้าไปกินอาหารที่ไม่ถูก อาหารเสียอาหารบุดมันก็ทำให้ปวดท้องเจ็บท้องได้ทุกอย่างมันมีเหตุวอนันมันเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องให้มันบุ๋ไปเองบุ๋สภาพไปเองถ้าไม่หมดก็ต้องอยู่กับมันต่อไปไม่ช้าก็เร็วมันก็หมดไม่มีอะไรผาวอนเพราะเวลาร่างกายตายทุกอย่างมันก็หมดโรคทุกชนิดก็จะหายหมดเลย เวลาร่างกายตายไปแล้วมีโรคกี่ชนิดมันก็หายหมดไม่ต้องกินยาใช้ปืนอย่างเดียวรักษาเข้าเม้นไปออามาก็กลายเป็นขี้เท่ากลายเป็นเศษกระดูกไปอันนี้จะเป็นวิธีที่รักษาที่สาวรหายโดยเด็ดขาดแล้วไม่มีโรคพานใข้เจ็บกับร่างกายนั้นอีกต่อไป ไม่ต้องกลัวเรามีโรคอะไรเราต้องหายแน่ๆไม่ต้องกลัวถ้ามันยังไม่หายก็อยู่กับมันไปเดี๋ยวหายเองหายทุกโรคขอใรักษ า, าใจนอนอยาก ใ, ให้อยากก็แล้วกันถ้าไม่อยากแล้วจะไม่ทุกข์ถ้าอยากเมื่อไหร่แล้วก็จะทุกข์พอมันหายก็ยังทุกข์อีกหายแล้วก็อยากไม่ให้มันเป็นอีก แลวลาร่างกายไม่เป็นอะไรก็ทุกข์ใจทุกข์เพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นอีกทั้ทงๆ ท, ที่มันไม่เป็นอะไรก็ยังทุกข์อยู่ทุกข์เพราะกลัวจะเป็นอีกนั่นอย่าไปกลัวอย่าไปอยากอยู่กับมันไปร่างกายมันเป็นอย่างนี้เราต้องเข้าใจธรรมชาติของมันว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครหนีพ้นไม่ว่าจะเป็นขอทานหรือเป็นมหาเศรษฐีก็อยู่ อยู่ภายใต้กฎกติกาอันเดียวกันแต่ผู้ที่ไม่มีความอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายแล้วจะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุดของั่างกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายหน้าที่ของเราก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่การหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายให้ได้ถ้าหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แล้วเราก็อยู่อย่างสบาย อยู่อย่างไม่ทุกข์ใจเราทำได้เท่านี้เองเราทำที่ใจใจเป็นของเราเป็นตัวเราเราแก้ที่ตัวเราเราไปแก้ที่ร่างกายไม่ได้เหมือนกับเราไปแก้คนอื่นไม่ได้แก้ให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้คนนั้นเขาดื่มเหล้าเราไม่อยากให้เขาดื่มเหล้าเราไปทำให้เขาหยุดดื่มไม่ได้เขาต้องหยุดของเขาเองถ้าเขาจะหยุดเ้าก็หยุดเองแต่เราไปทาให้เขาหยุดไม่ได้ แต่นายเราไปทำให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้แต่เราตั้งใจเราไม่ให้ไปทุกกับความแก่ความเจ็บความตายได้ทำไมเราไม่ทำกันเราต้องทำในส่วนที่เราทำได้สิและส่วนที่เราทําได้นี้มีประโยชน์ต่อส่วนที่เราทาไม่ได้เพราะว่าเราไปทำให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเดี๋ยวก็มีความอยากขึ้นมาอีกอยากให้มันแก่อยากให้มันเจ็บเพราะอยู่ไปนานๆทักจะเบื่อแล้ว ถ้าเราอยู่ไปสักพันปีจะเป็นยังไงเหนืก็อยากตายกันละความอยากมันไม่มีที่สึ้นสุดพระพุเจ้าบอกน้าน้ำในมหาสมุทรนี้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามมันยังมีขอบยังมีฝั่งแต่ความอยากนี้มันไม่มีขอบไม่มีฝั่งได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้อย่างนี้ก็อยากจะได้อย่างนั้นยู่ที่จุกจิกอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันที่จะมีความพอ ถ้าเราไม่ควบคุมมันไม่บังคับมันไม่ทาใจให้สงบได้เราหยุดความอยากไม่ได้เราต้องทาใจให้สงบต้องเจริญสติต้องควบคุมความคิดถ้าเราควบคุมความคิดอีกดความคิดได้ใจก็จะสงบได้ความอยากก็จะสงบตัวลงไปได้แล้วเราก็จะไม่อยากได้เพราะความสงบนี้มันมีความสุขมีความอิ่มนั่นเอง แล้วต่อไปเราก็พยายามรักษาความสงบไปเรื่อยๆเรารักษาความสงบได้เราก็หยุดความอยากได้เาั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำใจให้สงบนะครต้องมีสติต้องเจริญสติต้องควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้หยุดความคิดได้ก็จะหยุดความอยากได้ใช้ปัญญาทิจฐาณาช่วยให้เห็นว่าการทาความอยากนี้จะไม่มีวันสิ้นสุด ทำแล้วก็จะต้องทำไปเรื่อยๆถ้าหยุดความอยากไม่ทำตามความอยากก็ไม่ต้องทำต่อไปเป็นอยากบุหรี่ถ้าเราหยุดสูบไม่ทำตามความอยากมันต่อไปมันก็จะไม่อยากสูบอいいแต่ถ้าเราอยากแล้วเราสูบทำตามความอยากเดี๋ยวมันก็อยากพอมวนสูบมวนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็อยากจะสูบมวลใหม่มันก็อยากไปจนลมตายแต่ถ้าเรา อยากแล้วเราไม่ไม่สู่ตามความอยากเดี๋ยวความอยากมันก็จะหมดไปเพราะเวลามันอยากแล้วมันไม่ได้สู่มันก็ไม่รู้จะอยากไปทำไมนี่คือวิธีแก้ปัญหาต้องแก้ด้วยสติสมาธิและปัญญางี้ขอให้นำเอาไปปฏิบัติกันนะเอาแล้วนะสองสามรอบแล้ว นี่อยากจะนั่งก็นั่งสมาธิไปนั่งไปจะเดกแล้ ว, ว ม, มีอะไรจะพูดก็จะพูดไ ป, ดไปถ้าไม่มีอะไรพูดก็นั่งไปก่อนเดี๋ยววันจันทร์มาใส่บาทขับจัด ม, มาดีทีในวันจันท์เดือ <laughs> นนี้วันที่สิบหกมาครั<อ>บครับสิบหกมาเรื่องทําต่อ สิบสองวันสามวันเช่าจ้าข่าวก็สักสักห้าหกวันน่าจะเห็นน่าเห็นหลั้วเพราะว่าไม่น่ารา้ะอันนี้โดนฝนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร อ, อเป็นไรครับ<ม>เพราะว่ามันมันลงมาลนะเดี๋ยวพอเสร็จอีกทีก็จะเก็บอีกทีนึนครับแต่ตรงไห น, นถ้ามีน้ําขังก็จะระบายออกให้หมดก่อนที่จะปิดซิวทั้งมทั้งระบบครับไม่มาก ผมก็จอย่างเดียวเดี๋ยวจะให้เจาะรูล่าซองรูจะเจาะจให้ดูระบายไปเลยแล้วเอาเครื่องรวมร้อมาต่อให้ัเสร็จแล้วก็อุดปิดเลยครับว่ยังนี้ไม่ปิดปลายแต่ไม่ร้เขปิดกันทันได้ไหมให้ปิดปลายบนไหนไม่รู้ปิดกันทันหรือเปล่าแต่แต่ยังไม่ไม่มั่นใจเจ้าหนี้เดี๋ยวเขามาต่อท่อให้หลวงพี่บอยก็ได้ให้อุดอีกทีหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวก่อนพอเสร็จทั้งระบบก่อนจะเก็บงานเนี่ยผมจะให้เจาะรูลา่างอต้นเลยให้มันถ้าไม่มีขังมันจะออกมาหมดระบบ ปิดเลยประมาณนี้จะปั้งเพิ่มอะไรอะไรบ้างเดินทางมาถ่าได้ไหมอ๋ออาจารย์จะทำทำไมเพ้าว่าเอ่อ พวูมนุษย์นี่ปฏิบัติทําได้ดีกว่าเทวดาอะไรอย่างนี้าริงป่ะจังเทวดาเป็นแบบพวกเศรษฐีไงเขามีความสุขแล้วก็เขาจะที่เกียดส่วนมนุษย์นี่เรามีความทุกข์เราก็อยากจะดับความทุกข์กันก็เลยทําให้เราต้องขวนขวายกันมากกว่าปฏิบัติกันอย่างพระพุทธเจ้าหรือแม้เป็นเป็นกษัตริย์ก็ยังมีความทุกข์ียู่ แต่ถ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้าในคนระดับกริย์บนี้จะออกบวชกันไม่ไม่ได้พเพราะก็ติดความสุขอันนีครับทีนี้พระพุทธเจ้านีนท่านทรงบําเพ็ญบาร ม, มีมาอย่างแก่กล้าท่านสามารถมองเห็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ของความสุขของของกระสับได้ท่านรู้ว่าอยู่ต่อไปเดี๋ยวก็ต้องตายต้องทุกข์กับเพราะมันความแก่ความเจ็บความตายมันคืค่นานเข้ามาเรื่อย แต่เป็นเทวดานี้มันไม่มีวันแก่ครับมันไม่มีวันมันเวลามันเสื่อมมันก็วัดหายไปเลยมันเสื่อมแบบนั้นตัวใหญ่มันจะอยู่กับรูปทิศเสียงทิศกลิ่นที่ยืมกับความสุขเทวดานี่เป็นพวกที่เป็นเหมือนพวกเศรษฐีมาเศรษฐีกำลังเสดความสุขกันอยู่ยังไม่ค่อยปฏิบัติทางกันนอกจากพวกที่มีบารมีฝ่ายทําอยู่ก่อน ผูท้ที่เชอบไปฟังธรกับพระพุทธเจ้าฟังธรรกับพระอาหารหังนี้ตรงนี้เขาเป็นพูกที่มีฝ่ายธรรมเขาก็ปฏิบัติได้บรรลุได้เป็นพร้อมไดของพระพุทธเจ้าที่เป็นเทพก็บรรลุเป็นพระโสดาบรรลุนั่นก็เป็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าไปโปรดไปสั่งไปสอนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไปท่านก็คงจะไม่สนใจท่านก็คงจะมีความุกอยู่กับลูกเิศเสียงเทศอื่นเทศอยู่ มันไม่มีความทุกข์กมากระตุ้นใจคนเรานี่เวลาจะเขา้าเาวัดเาว่าทำบุญกันนี้เพระมันไม่สบายใจเป็นเวลาคนที่ไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งนี้ยอยากจะมาอยู่วัดมาปฏิ บ, บัติธรรมเลยเพราะ <c oughs> มันเริ่มเห็นทุกข์แล้วอยากจะดับความทุกข์กันก็เลยต้องปฏิบัติธรรมกันครับงั้นคนที่มีความสุขนี้จะ มีโอกาสน้อยกว่าคนที่มีความทุกข์คนที่มีความทุกข์นี่จะมีโอกาสได้เข้าหาธรรมะมากกว่าแต่ก็บรรลุได้ทั้งสองประเภทแต่เดี๋ย ว, ว่าโอกาสยาก ง, ง่ายต่างกันอ่าแตบรรลุได้เทวดาก็ต้องมีคนที่มีความสามารถติดต่อกับเทวดาสั่งสอนเทวดาได้เช่นหลวงปู่มั่ น, นี่มีเทวดามาสั่งเทศน์ธรรมธรรมมีม ไม่มีคนที่จะสั่งสอนค้าก็ไม่สามารถมนุษย์ได้อ๋อเป็นเหตุให้ยากยิ่งขึ้นยาก อ, อ, อืากัามมนุษย์มมนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์ถึงแม้จะมีคนสั่งคนสอนแต่ไม่สนใจเลหามันก็เหมือนกับไม่มีอยู่ดีเข้าใจไหมครับผมเข้าใจแล้วครับเอ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อการเป็นเทวดานี่มันเป็นทบที่สบายมีความสงบมันก็เลยไม่ไม่ไม่อยากจะปฏิบัติธรรม เหมือนพวกที่ไปอยู่นรกมันก็ทุกข์มากจนกระทั่งไม่มีสติสตางที่จะห า, หาทางออกครับมันก็ต้องทนทุกข์เหมือนพวกที่ติดคุก๊กแล้วปฏิบัติธรรมลำบากพวกที่เศรษฐีไปที่มันก็จะไปเที่ยวกันอย่างเดียวือส <c oughs> งการนี่ก็ไปเมืองนอกอนะไรนี่แดียเข้าวัดปฏิบัติธรรมสี่ห้าวันก็ไปเที่ยวฮ่องกองสี่ห้าวันใจ แต่ถ้าไม่มีถ้าทั้งแต่เนี่ยอาจจะเข้าวัดกันต้องมีทุกข์เน่ยคนเราเหมือนกับคนไข้หรือที่คนสบายจะเข้าโรงพยาบาลทำไมใช่ไหมต้องไม่สบายก่อนใช่ไหมถึงไปหาหมอไปครับคอนเราต้องมีเหตุถึงจะเข้าวัดกันมีความทุกข์ทุกอย่างใดอย่างทุกข์เพสูญเสียคนมากไปทุกข์เพราะว่า ขาแทนรายได้ไม่สามารถไปเที่ยวได้ไม่รู้จะไปไหนดีจะไปอยู่วัดเอาไว้คนที่จะเข้าวัดก็มีศรัท ธ, ธาอยากจะปฏิบัติจริงๆแต่ก็มีคนพวกนี้ถ้าเข้าแลว้วไม่จะเข้าจริงเข้าแล้วเข้าไปเลยไม่กลับออกมาโวกนมีศรัท ธ, ธามีความมุ่งมั่นสอนสนักสมนลูกพัน ตอนนี้เขา้าแล้วจะไม่มีมันถอยแต่พวกที่เข้าไปเพราะว่าทุกพอเข้าไปอยู่พอหายทุกก็อยากจะออกมาพอใจสบายแล้วทีนี้ลืมเรื่องความทุกข์ที่หนีมาแล้วอยากจะกลับไปหายนะบางคนถึงบวชน้องเสร็จบวชน้องเสร็จอยู่นั่นเองตามนะเข้าใจนะ เราพรงพุทธเจ้าทุ้งสองก็อย่าประมาทตอนนี้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบายก็ให้เราคิดถึงอนาคตบ้างคิดถึงอนาคตที่เราจะต้องแก่จะต้องตดจะต้องตายถ้าเราคิดแล้วมันก็จะกระตุ้นให้เรามีความหวนขวายที่จะปฏิบัติเพื่อจะได้รับกับเหตุการณ์ที่เราไม่ปรารถนากันได้ถ้าเราไม่คิดเลย พอเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราจะไม่สามารถรับกับเหตุการณ์ได้ตอนนั้นมันจะสายเกินแก่เหมือนกับนักศึกษานักเรียนถ้าไม่คอยทําการบ้านไม่คอยดูหนังสือพอถึงเวลาจะเข้าห้องสอบนี้ก็จะสอบไม่ได้สอบไม่ผ่านแต่ถ้าคอยทำการบ้านอยู่เรื่อยๆคอยดูหนังสืออยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาเข้าห้องสอบก็จะ ทำข้อสอบได้อย่างสบายข้อสอบของเราก็เนี่ยแหละที่พระเจ้าทรงแสดงนั้นก็คือความแก่ความเจ็บความตายความสูญเสียสิ่งที่เรารักไปหรือการประสบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาสิ่งที่เราไม่ชอบ น, นี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามคิดอยู่เรื่อยๆอจำลองมันขึ้นมาว่าถ้าเราต้องแก่เราจะทำอย่างไรถ้าเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะต้องทำอย่างไร เราต้องตายเราต้องสูญเสียคนที่เรานักตายเราต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาใคิดอย่างนี้คิดแล้วเราจะได้หาวิธีที่จะมาสอนใจรื้อหาวิธีเตรียมตัวเตรียมใจให้เราพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ได้ไม่มีใครชอบความแปรไม่มีใครชอบความเจ็บไข้ได้ปวด ไม่มีใครชอบความตายไม่มีใครชอบการพัดผ้าจากสิ่งที่รักไปไม่มีใครอยากจะเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบแต่เราอยู่ในโลกที่ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนมีโอกาสที่จะได้เจอของเหล่านี้อย่างแน่นอนถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนพอเวลาได้พบกับสิ่งเหล่านี้เราจะทําใจไม่ได้เราจะทําใจให้เฉยให้สงบไม่งุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ได้ แต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้อยู่เรื่อยๆแล้วเวลาเจอเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาจะไม่เดือดร้อนเลยอย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านก็ได้พบกับสิ่งที่ท่านได้ปรารถนาะตอนที่ท่านเสด็จออกจาออกออกไปเที่ยวนอกพระราชวังตรงไปเห็นคนแก่ซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าอยู่ในวังนี้พระราชนิพาธไม่ยอมให้มีคนแก่คนเจ็บคนตาย ให้พระราชเจ้ารถได้เห็นหน่อเพราะกลัวว่าเห็นแล้วเดี๋ยวจะทําให้พระทธเจ้านั้นจะต้องออกบวชพอาเมื่อเห็นได้ใจก็จะต้องหาวิธีแก้ปัญหาเมื่อไม่เห็นในวังท่านเลยเหนีออกไปเที่ยวนอกวังพอหนีออกไปเที่ยวก็เห็นความจริงเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็เห็นนักบวชเรียกว่าเทวทูตสิ คือตัวที่จะขัะตุ้นให้พระพุทธเจ้าได้สะ ล, ดละราชสมบัติได้ออกบวชได้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาลูกเราก็เหมือนกันถ้าเราต้องการที่จะบรรลุบรรคผลนิพพานก็ขอให้เราเราลึกถึงเทวทูตสิ่งที่อยู่ในเรื่องนึกถึงคนแก่เลกถึงคนเจ็บไข้ได้ป่วยนึกถึงคนตายเลืกถึงนักดวนแล้วเราก็จะ เราก็จะได้มีศรัทธามีความกล้าหาญที่จะออกบวชออกปฏิบัติธรรมอย่างจรจิงๆิงจังจัเพราะไม่มีทางอื่นที่จะทาให้เราหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้นอกจากการบวชนอกจากการปฏิบัติธรรมอย่างจรๆๆจิงๆิงจังจเท่านั้นเองถ้าไม่บวชก็ต้องปฏิบัติอย่างจริงจังเหมือนกับเป็นนักบวชเพราะว่าการปฏิบัตินี้ถ้าปฏิบัติแบบล้มลึ่นบันดอน ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างนี่ผลมันก็ไม่ผลมันไม่ต่อเนื่องเพราะว่ากิเลสตัณหามันทํางานตลอดเวลากู้ต่อสู้เราก็ทํางานตลอดเวลาแต่เราทำเป็นบางเวลาแล้วเราจะไปสู้ทําได้อย่างไรพราะฉะนั้นเราต้องทําทํางานอย่างตลอดเวลาต่อสู้กับกิเลสตัณหาตลอดเวลาทุกเวลานาทีที่เราตื่นนี้เราต้องคอยควบคุมกิเลสตัณหาคอย ตัดกิเลสปัญหาดับกิเลสปัญหาเราถึงยะเอาชนะมันได้ถ้าเราทําบ้างหยุดบ้างโดยเฉพาะทนเฉพาะช่วงวันหยุดสงการปีหนึ่งมีสักคนหนึ่งเห็นทั้งปีก็ปล่อยให้ฆ่าเสร็จมันทําร้ายเราบุกทําลายเราเราก็ไม่มีวันที่จะสู้ต่อได้วิธีจะทําให้เราสู้ก็คือเราต้องนึกถึงเทวทูตอยู่เรื่ยอยๆพระพุทธเจ้าถึงทรง ส, งสอนให้พวกเรา บ่นพิจารณาอยู่แนวๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาลวงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาลวงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราต้องพัดภาคจากของรักของจําเงินใจทั้งหลายทั้งปวงไปล่วงพ้นไปไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเราจะมามัวอยู่กับสิ่งเหล่านี้ สิ่งต่างๆนนี้ทำไมไม่ไม่ช้าก็แลวเราก็ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีไปแล้วเราพร้อมที่จะสูญเสียมันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไม่ต้องไปปฏิบัติใช่ไถ้าเราพร้อมที่จะแก่พร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะตายพร้อมที่จะสูญเสียสิ่งที่เรารักไปก็ถือว่าเราบรรลุแล้วผู้ที่บรรลุแล้วเท่านั้นจะเป็นผู้ที่จะพร้อมที่จะรับกับความจริงต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ ถ้าเรายังไม่พร้อมใจเรายังไม่สงบไม่นิ่งยังหวั่นไหวยังทุกข์อยู่เราก็ต้องพยายามปฏิบัติเพื่อทำใจให้เราให้นิ่งให้สงบให้ปล่อยวางให้ได้ถ้าเราปล่อยวางได้สงบได้ยิ่งงา้แล้วทีนี้อะไรจะเกิดก็ไม่เป็นปัญหาอะไรต่อไปขอให้เราเจริญเทวทูตสี่ด้วยควาปแก่คนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็นักบวช เป็นนักบวชอะดีที่สุดเป็นรางวัลที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของพวกเราไม่มีอะไรจะดีทั้งกับการเป็นนักบวชเพราะการเป็นนักบวชนี่แหละที่จะทําให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้บรรลุมรรผลผนิพพานถ้าพระพุทธเจ้าไม่ออกบวชก็จะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าพระสงฆ์สาวกทั้งหลายไม่ออกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นพระพระสงฆ์สาวกกัน้นอยนะักที่จะ เป็นสาวกที่เป็นฆราวาทพวกนี้ถือว่าเป็นพวกกรณีพิเศษเป็นพวกที่มีบารมีแก่ก้าหรือว่ามีเหตุมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ออกบวชไม่ได้แต่ถึงแม้เขาออกบวชไม่ได้เขาก็ยังสามารถปฏิบัติเหมือนกับเป็นนักบวชได้บรรลุได้เหมือนพ่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ออกบวชแต่ก็อาศัยบารมีของพระพุทธเจ้ามาโปร เจวันก่อนที่จะเสด็จวันคตกก็สามารถบรรลุได้อันนี้ต้องมีพระพุทธเจ้าต้องมีพระอริยสงฆ์มีพระอาหารหันต์มาโปรดเท่านะถึงจะสามารถบรรลุได้โดยที่ไม่ต้องบวชแล้วต้องมีเหตุการณ์บางคัมให้ปฏิบัติเล่นใกล้จะตายแล้วนี้ตอนนั้นจะมีกำลังพองหรือเปล่าก็อยู่ที่บารมีของขอ ง, ของแต่ละคน ถ้าไม่มีบารมีถึงแม้มีพระอรหันต์มาสอนจนข้างเตียงก็บรรลุไม่ได้ถ้าทำใจไม่เป็นทำใจให้สงบไม่เป็นปงไม่เป็นนี้ถ้าให้มีพระอรหันต์มาสอนก็ไม่สามารถบรรลุได้มันก็ต้องมีทั้งสองส่วนส่วนของตนเองและส่วนของของผู้สอนด้วยช่วยกันเพราะถ้าไม่มีผูสอนก็จะไม่รู้จักวิธีปองไม่รู้จักวิธีวาง แต่ถ้าตอนนี้ไม่มีความสงบทําใจให้เป็นสมาธิไม่ได้ก็ปงไม่ลงนี้นตอนนี้ถ้ายังบวชไม่ได้ก็พยายามทําใจให้สงบให้ได้ไม่มีสมาธิให้ได้ดเวลาใกล้าตายก็อาศัยธรรมะของครูบาอาจารย์ช่วยให้ปกตอนนั้นก็ได้เวลามังทีมันจะบรรลุกับบรรลุตอนที่จะตายกันนี่แหละเพราะตอนนั้นมันคันไม่มีทางเ ล, เลือกแล้ว ถ้าไม่ปลงมันก็จะทุกข์มากถ้าไม่ปล่อยมันก็จะทุกข์มากถ้ามันปล่อยแล้วมันก็สบายมันก็หายทุกข์ได้นี่คือหน้าที่ของเรางานของเราที่แท้จริงเป็นสมบัติผลที่ได้รับก็จะเป็นเป็นสมบัติของเราที่แท้จริงผลที่ผ่านขั้นต่างๆนี้เป็นของเราเราติดตัวไปได้ไสมบัติเงินทองทอต่างๆบุคคลต่างๆรถฐาบรรดาศั์ นี่เราเออกไปไม่ได้ตายไปแล้วเขาก็เอาไปเอาไปสรไว้ที่ข้างข้างลงศพนั้นเองมียอะมีตําแหน่งอะไรก็เอาไปติดไว้ข้างลงศพแต่เราเอาไปไม่ได้แต่เราจะเอามรรคผลนิพพานไปได้เอาขั้นโสดาบันไปได้ขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีไปได้ขอให้เรามาทำด้วยกันดีกว่าทางของพระพุทธเจ้าทางธรรม อย่าไปทางโลกทางโลกเป็นทางทางหลอกทางปลอมไปไม่ถึงไหนวนอยู่ที่เก่าตาแล้วก็กลับมาจู่ที่เดิมเว้นว่าตายเกิดอยู่อย่างนั้นตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เกิดแล้วก็มาแก่มาเจ็บ ม, มาตายใหม่วนไปเว้นมาอย่างนี้ถ้าไปทางไปตามทางธรรมก็จะไปไม่กลับไปสู่มรรคผลนิพพานไปสู่ความสุขที่ถาวร ต้องมาวันที่ไม่ใช่วันหยุดเมื่อคนจะน้อยหน่อยครับถ้ามาสาร์อาทิตย์วันหยุดนี้ก็ะจะมีคนมาอยู่เรื่อยๆครับวันนี้จะนั่งคุยกันสอง่องนั่งไม่ได้นะไม่ได้ที่งันลยเพราะและเวลามันไม่พ อ, มมพอครับ อ, อะไรต้องมานั่งคุยตรงนี้วันนี้ญาติโยมมาเยอะใช่ไหมครับท่านก็มีมากขึ้นี่ถ้าวันธรรมดาล่ะครับก็บางวันก็มากเหมือนกัน ไม่น่าแต่เสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการนี่มันแน่คนจะมากกว่าวันธรรมดาครับวันธรรมดาก็แล้วแต่จังหวะบางวันก็คนก็มาพร้อมๆกัน ก, <อ>ก็มากหน่อยแต่ก็จะไม่มากเท่ากับวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดราชการครับางวันก็ไม่มีเลย<อ>บางคนก็มีมาคนเดียวอะไรต้องเร่งใหม่ต้องมา ไม่ค่อยคุ้นกับโยมเยอะ <c oughs> ไม่เป็นไรก็เป็นเพื่อนเดินทางด้วยกันครับปัญหาก็คล้ายกั น, นกรรมเหมือนกันอปัญหาก็ความอยากเหมือนกันอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้พอไม่ได้ก็หงุดหงิด น, น, น้ำใจคแค่นั้นใช่ไหมไม่เท่านั้นทําใจให้นิ่งไม่ได้ทําใจให้สงบไม่ได้ครับ ถ้าจาใจนิ่งสงบแล้วไม่มีปัญหาเลยปัญหาอยู่ที่ใจไม่นึ่งเพราะเวลานิ่งแล้วมันอิ่มมันสุกมันพอพอไม่นิ่งมันก็หิวมันก็อยากขึ้นมาแลได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้ขึ้นก็อยากได้สอบใช่ครับได้สอบก็อยากได้ว่าได้ไปเรื่อยๆครับไม่มีวันสิ้นสุดนั่นการเดิน การทําตามความอยากจึงไม่ใช่เป็นวิธีที่หยุดความอยากต้องกต้องทำใจให้สงบต้องหยุดต้องไม่ทําตามความอยากครับต้องทําทั้งสองส่วนต้องหยุดทําใจให้สงบให้ได้ครับถ้าใจไม่สงบก็จะหยุดทําตามความอยากไม่ได้ถ้าใจสงบแล้วเวลาเกิดความอยากก็บอกไม่ทําตามความทำได้เพราะว่าเราความสงบนี้มันมีความสุขในตัวครับ ไม่ฝืนใช่ไหมครับไม่ต้องฝืนถ้าเรามีความสงบแล้วเพียง<ม>แต่เวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็บอกว่าอย่าไปทำนะทาแล้วมันไม่พ อ, อ, อทำแล้วทุกข์ไปเปล่ปาๆเรามีความสุขอยู่แล้วเรามีความสงบอยู่แล้ ว, ค, ค, ว, ลวความสงบนี้มันมันหยุดความอยากไม่ได้อยา่างถาวรมันหยุดได้ชั่วคราวพอออกจากความสงบมาความอยากมันก็โผลขึ้นมา แต่พอมันโผลขึ้นมาถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจว่า้อย่าไปทําตามความอยากนะทำแล้วก็ไม่มีวันสิ้นสุดทําแล้วก็แทนที่จะสุขมากขึ้นกับทุกข์มากขึ้นพอรู้แค่นี้มันก็หยุดพอหยุดมันก็กลับมาสู่ความสงบเหมือนเดิมอันนี้ะต้องมีความสงบ เ, เป็นพื้นฐานก่อนเหมือนทาการค้าถ้าเรามีกำไรแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องกังวล มากนะอ <c oughs> ากจนะมีะไรายได้เพิ่เมเองไหมไม่ได้ถ้าต้องไปไปเสี่ยงไปอะไรแล้วก็ไม่เอาดีกว่าครับะ <c oughs> เรามีกําไรแล้วเราอยู่กั็รักษาผลกําไรไว้นี่ก็พอค <c oughs> รับเวลาเรามีสมาธินี่ก็เหมือนมีเราเรามีผลกําไรนะมีความสุขนะ <c oughs> ไม่ต้องมีความสุขเพิ่มมากไปกว่า น, นี้ก็ได้เพราะไม่มีอะไรที่จะมีความสุขมากกว่าความสงบแล้วครับ <c oughs> อั น, นี้เราต้องสอนใจตายมันยังไม่รู้ทั้ทั้งที่มันมีความสงบนะมันก็ยังคิดว่าได้ ส, ดสิงนั้นมาได้สิงนี้มาจะดีขึ้นมันไม่ดีขึ้นคอันนี้ต้องใช้ปัญญาเป็นความรู้พิเศษที่ได้เจ้าทรงรู้ ข, ขึ้นมาเอง ค, ar, ครื่อก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าพว่งดูศีรษะศีรษยนี่เขามีฌ า, านมีทางสงบกันคแต่เขาก็ยังไม่พอคเพราะเขาอยากสมาธิเขาก็ยังอยากอยากได้นู่นอยากได้นี่ มีพระพุทธเจ้าเท่นั้นที่รู้ว่าออความอยากได้เพิ่มมันมันไม่ได้ทําให้มีความสงบเพิ่มมากขึ้นครับกลับจะมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นท่านเห็นว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจความไม่สบายใจดังนั้นทุกเวลามีความสงบแล้วใจยังเกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญาหยุดได้ทีนี้ก็จะหยุดอย่างทาวรอยเรารู้แล้วว่าความอยากนี้เป็นโทษ ก็ไม่ทำตามความอยากรเราไม่ทำตามความอยากแลก็ไม่ไม่ต้องทำอีกต่อไปความอยากก็จะสลายหายไปก็จะอยู่อย่างสบายไม่มีอะไรมาคอยกระตุ้นมาคอยผลักดันให้ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ความอยากลดลงแต่ว่าความสงสัยก็เกิดขึ้นอีกสงสัยเรื่องนู้นเรื่องนี้ในธรรมอีกเนี่ยครับ ก็บางเรื่องก็ไม่ต้องควรที่จะไปไปรัรบนะเพราะว่ามันเป็นจินตใจนะสิ่งที่เราควรจะรู้กค่รู้แค่อริยสัจสี่ก็พอรครั บ, ร, บรู้ว่านี่คือทุกข์รือว่านี่คือต้อนเหตุของความทุกข์รู้ว่านี่คือเครื่องมือที่จะดับความทุกข์รู้ว่านี่คือการดับของทุกข์ให้รู้แค่นี้รู้แค่สี่อย่าง พอสงสัยพวกก็มีสติรู้แล้วก็ตัดทิ้งไปเลยทำไมจังไม่ต้องสงสัยอ่ะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอริยสัจอื่นก็อย่าไปรู้มันให้เสียเวลาครับไปรู้ว่าโลกนี้เกิดมาเมื่อไหร่นู้ไปทําไมครับรู้แล้วมันทําให้ความมาแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์ใจเราได้หรือเปล่าครับไม่ได้หรอกรู้ไปรู้เรื่องของคนอื่นทําไมวันนี้เขาเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าเป็นพระอะไรหรือเปล่าครับเขาเป็นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราหรือเปล่าครับมันมาทําให้เราเป็นขึ้นมาหรือเปล่าครับ นอกจากก็จะมาหลอกเราเราก็ต้องอยากจะรู้เท่านั้นเองแล้วก็มาหลอกว่าเขาเป็นนั่นกันนี่เราก็ต้องหาพิพสูจน์ดูท่ามีเหตุเราก็ต้องศึกษาดูครับถ้าอยู่เฉยๆเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วเพราะจะว่าเขาเป็นอะไรเขาปล่อยเขาเป็นไปใน เ, เมื่อเราไม่ถูกเ้าหลอกเราไม่ถูกเขาเอ า, าตักลงตอกผลประโยชน์จากเราเราก็ไม่ต้องไปรู้ก็ไดครับรู้ในเรื่องที่เราควรจะรู้ดีกว่าครับรูู้เรื่องความทุกใจออกเรา ว่าตอนนี้ใจเราทุกหรือเปล่าถ้าทุกแล้วเกิดจากอะไรแล้วแก้อย่างไรถึงจะหายคไม่รู้แค่นี้นักปฏิบตัติต้องเข้าข้างในครูบาอาจารย์นั่นบอกจิตต้องเข้าข้างในครับถ้าจิตออกนอกนี้เป็นกิเลสจิตเข้าข้างในเป็นมรรคเอามาที่ใจดูที่ใจอย่างเดียวดูว่าตอนนี้ใจสุขหรือใจทุกครับถ้าใจทุกก็ต้องดับมันให้ได้ วิธีจะดับก็ต้องหาเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ว่าเกิดจากอะไรก็เอาจัยคำสอนของพระเจ้าม่นเกิดจากความอยากเราก็ถามว่าตอนนี้เราอยากอะไรพอเรารู้ว่าเราอยากสิ่งนี้เราก็สอนสอนใจว่าอยากไปอยากอยากแล้วมันไม่เป็นสุขมันเป็นทุกข์มากกว่าครอสอนใจใจยอมรับก็หยุดความอยากได้ มันไปเรื่อยๆพอจิตมันรับรู้ออิ่มมันก็ถอนนั่นเองใช่ไหมครับอาจาพอมันดับเพิ่มแล้วมันก็หมดปัญหาไปครับมันก็จะไม่อยากกับเรื่องนั้นอีกต่อไปก็อยากจะให้แฟนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ครับก็ไม่สบายจใจถ้าเราไปเปลี่ยนแฟนได้หรือป่าไปสั่งเขาได้หรือเปล่าเราไปสั่งเขาไม่ได้สั่งเ้าได้ก็าาอาจจะสั่งได้บางบางครั้งบางเวลา ถ้าเราหยุดความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้นั่นก็ไม่เดือดร้อนเขาจะเป็นอย่างไรก็ไม่ใช่เรื่องของเราครับเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาครับเราต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามเรื่องของเขาอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ครับเพราะไม่สามารถทําได้เสมอไปบางเวลาก็ทําได้บางเวลาก็ทําไม่ได้เวลาทําไม่ได้ก็จะทุกข์ใจจะเสียใจจะโกรธ ถ้ปล่อยวางได้แล้วก็จะสบายใจตลอดเลยนะเข้าใจเอาหน้าเดินแล้เอาหลังเดินก็เรื่องของเขาก็าจะศีรษะเดินแล้วเท้าเดินก็เรื่องของเขาก็าจะกินเหล้าลไม่กินเหล้าก็เรื่องของเขาดื่มชูก็เรื่องของเขาก็ะาจะไปยุ่งกับคนนั้นคนนี้ก็เรื่องของเขาเราไปห้ามขาได้ทีไ่ไหนนะ <c oughs> ปล่อยวางปล่อยวางแล้วจะไม่ชุกข์บางทีมันก็ไมปล่อยเข้าใจบางทีแ่ะ รู้ไม่ธยมยาว์สาวเหตุว่ากรรมอะไรที่เป็นเหตุอย่างนี้มัยมเย า, ยาจะสาวไปเรื่อยว่ากรรมเพราะอะไรเนีย่ยเขาเหมือนกันมันมีสังขารความสงสยัยมักจะถามว่าเหตุปัจจัยนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรอ<ม>แต่พอมันสาวไปเรื่อยมันก็ไม่ปล่อยอาจารย์เพราะมันไม่เห็นทุกว่ามันคือไม่เห็นก็ ก, ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเปนเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเราเรื่ของเขาก็คือกิเลสของเขาเนี่ะ ความาอยากของเขาทำให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาอย่างเงี้ยหยุดความอยากเขาไม่ได้แล้วเราไปหยุดความอยากของเขาได้เ้ยถ้าเราหยุดความอยากของคนติดยาเสรจติดได้แล้วก็สั่งให้คนที่ติดยาเสพติดเสจติดทั้งประเทศนี้หยุดหยุดอยากเสียเขหมดเลมันสั่งเขาไม่ได้นอกจากสอนเขาให้เขาหยุดเองให้เขาเห็นโทษของความอยากาให้เขาใช้สมาธิช่วย ทำให้เขาหยุดการยาทําทได้แค่นี้แล้วก็ทําได้ครับก็เขาก็เริ่มติดยาเสพติดได้ครับมันอย่าไปแก้คนอื่นตัวเราเรายังกล้าไม่ได้แล้วเราไปแก้คนอื่นทําไมครับแก้ตัวเราให้ได้ก่อนหลวงพว่อพุทธเจ้าท่านแก้ตัวของท่านได้นะท่านถึงข้อไปช่วยคนอื่นแก้ทีอย่างนี้ไม่เห็นแก่ตัว อย่าไปคิดว่าการช่วยตัวเองนี่แก้ปัญหาของตัวเองนี่เป็นการเห็นากตัวเราต้องแก้ปัญหาของเราให้ได้ก่อนแล้วเราถึงไปไปช่วยคนอื่นแก้ปัญหาของเขาต่อไปถ้าเราแก้ปัญหาของเราไม่ได้เราไปช่วยคนอื่นแก้ปัญหาของเขาได้อย่างไรถ้าพระทธเจ้ายังไม่ตัดสรู้จะนัสอได้คนอื่นตรดสรู้ได้อย่างไรใช่ไหมยังต้อง เหมือนกับนักเรียนก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ได้ก็ต้องเรียนจบป ร, ริญญาก่อนครพอเรียนจบป ร, ริญญาแล้วทีนี้ข้ามาเป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนคนอื่นได้ต่อไปครังก็ต้องกลับมาที่ตัวเราเนี่ยกลามาแก้ที่ทุกข์ที่ใจเราเนี่ยเอมาหยุดต้นเหนตุของความทุกข์คือความอยากให้ได้หยุดด้วยการปฏิบัติทิ้งสมาธิปัญญาคทางทิงภาวนาถ้าปฏิบัติได้ก็หยุดความอยากได้ พอยุ่ความอยากได้ก็ดับความทุกข์ได้พอดับความทุกข์ได้ที่นี่ก็ไปสอนคนอื่นได้แต่ไปแก้ให้เขาไม่ได้สอนให้เขาทักแก้ตัวเขาเองพถ้าสอนแล้วเขาไม่แก้ก็ทํอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นตัวเขาเขาต้องเป็นคนที่ต้องแก้เองเพราะปัญหาอยู่ในใจของเขาแล้วเข้าไปในใจของเขาไม่ได้ ถ้าเข า, กาแก้ไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางอยากไปอยากให้เขาแก้ให้ได้พอเขาแก้ไม่ได้แล้วก็เสียใจยอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะพระพุทธเจาไม่เคยเสียใจไม่เคยทุกข์กับทุกเจตของท่านนะาคนไหนแก้ได้ท่านก็ไม่ได้ดีใจคนไหนแก้ไม่ได้ท่านก็ไม่เสียใจเพราะท่านไม่ได้เป็นหน้าที่ของท่านท่านแค่บอกเฉย ให้เราทำหน้าที่ของเราเสร้จเรือ่องของคนอื่นอย่าไปตสงใจเหนื่อยปเปล่าเสียเวลาเปล่าลยากนลยอาจารย์คนเราส่วนใหญ่ไม่ชอบแก้ปัญหาของตัวเ อ, อ, องชอบไปแก้ปัญหาของชาวบ้านชอบให้คนอื่นเป็คคดดนคนดีก่อนแล้วเราค่อยเป็นคดีอย่า ง, งนี้เลย วันนี้ก็ที่ว่าสมควรใจเวลานะก็ขอจบไว้ก่อนท่าน้นะไว้โอากาสหน้าค่อยมาตัฒ น, นานทำับ <c oughs> มาไกลแล้ว